จริ ง, รงคือก็แค่รับรู้อะค่ะเพราะว่ามันก็คือรับรู้จากที่เราบอกคือสิ่งที่มากระทบอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เราก็ไปตอแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันคือไม่ต้องสนใจคือรับดูแล้วก็จริงๆก็กลับมาๆๆกลับมาอยู่ที่กายคือคือตอนนี้คือจริงๆก็คือเหมือนกับเริ่มอย่างอย่างค่อนข้างเคยเคยมีไปกราบหลวงปู่ ท, ท, ที่ที่สกลนครหลวงปู่วัดท่านก็บอกว่ า, วาให้ให้พยายามอยู่กับ กายให้ให้ให้ให้อินทรีย์แก่กล้าก่อนเพราะปัญญาเนี่ยยังยังไม่มีเพราะจริงๆแล้วเรายังไม่ไม่ตั่งมั่นนะคะก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็เลยพยายามดูที่ว่าอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่กายคือรู้สึกตัวอยู่ที่ความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยค่ะก็มือนอยู่ที่กายหรือความรู้สึกตัวก็เนี่ยก็รู้สึกตัวอยู่ไงกัอยู่กับกายคือความรู้สึกตัวอยู่นะกระทบอะไรเนี่ยสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจดูที่ใจลาใจด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ที่กายไม่ใช่เราก็ใจผิดคืออยู่ที่กายคือ พอมันมีอะไรเย็นพวกกลิบก็มาอยู่กับกายไว้พอร้อนพวกกลิปไปอยู่กับกายไว้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนี้ปฏิบัติก็จะผิดไอ้ความที่เรารู้รู้สึกตัวว่าเนี่ยอะไรมากระทบแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันส่งต่อเวทนา ย, ยัางไงส่งต่อสัญญาอย่งไรส่งต่อสังขารอย่งไรมันพาดมันพูดมันวิเคราะห์วิจารวิจัยอย่างไงในในใจเรายัางต่อเนื่องตลอดเวลาทุกขณะปฏิบันยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็สัตาวารู้อะภัยยะถ้เธอสัตาวารู้เธอก็บรรลุนิพพานในปัจจุบันนี้ก็บรรลุก่้ รู้สื่อซื่อูสซื่อเนี่ยก็จบไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปปรู้อะไรปุ๊บล้วก็ตัดตอนมารู้ขากายไว้เหมือนกันในเจอนี้มันกับสองคนในเจอนพี่กับน้องที่มาเนี่ยเราก็พยายามจะสอนอยู่ตรงนี้มันก็ไปจํำมาของเก่ามารู้อะไรปุ๊บมาคอยมาคอยจับที่เวทนาที่ตามตัวไว้ที่กายไว้รู้อะไรปุ๊บล้วก็ตัดตอนมามอคอยตัดตอนมาแล้วก็มาคอยจับอยู่ที่เวทนาที่กายไว้บอกว่ามารู้กายไว้คอยรู้กายรู้เวทนาไว้ แล้วพอรู้อะไรปุ๊บรีบตัดตอนมาจับที่กายเวทนาไว้แล้วมันจะรู้เรื่องไหมว่าในใจมันคิดมันนึกมันตึกมันตอมันวิภาควิจารณ์ยังไงแล้วแล้วทำไมรู้จะมันจะรู้ไหมว่านี่คืออารมณ์นี่คือจิตผู้รู้มันแยกระหว่างจิตกับอารมณ์ไม่ออกเลยสติปัฏฐานสี่มันกายเวทนาจิตธรรมอะกายเวทนาจิตธรรมจิตเป็นผู้รู้ทำทำก็คือมันส่งต่อเวทนาสัญญาสังขานน่ะคือธรรมก็คือทําอารมณ์แล้วเดี๋ยวมันก็เกิด จิตผู้รู้ตัวใหม่แล้วก็เกิดต่อธรรมารมตัวใหม่เวทนาสัญญาสังขารตัวใหม่แล้วก็มีจิตผู้รู้ตัวใหม่คือจิตวิญญาณสังข์เนี่ยเป็นผู้รู้ตัวใหม่แล้วก็เกิดเกิดธรรมารมเวทนาสัญญาสังขารตัวใหม่มันจะได้เห็นอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยว่ามันรู้ซื่อซ่อสัตว์บรรลุหรือว่ามันติดไปติดไปมันก็จะได้รู้ว่าติดไปไม่ติดไปก็จะรู้ว่าไม่ติดไปเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเนี่ยเออไม่ติดไปก็ปล่อยวางขันหน้าหรือมันติดขันห้าไปประยุทผู้รู้หรือยึดสิ่งที่ถ so ูกรู้ มันจะได้อ่านใจตัวเองเนี่ยขาดยี่สิบี่ชั่วโมงว่านี่ยมันติดไปกับเวทนาสัญญาทั้งขาวิญ ญ, ญาณหรือเปล่าหรือยึดผู้รู้คาตั้งไว้ยึดยึดจิตวิญ ญ, ญาณขาคารขาไว้มันยึดอะไรหรือเปล่าหรือไม่ยึดอะไรจะได้อ่านใจตัวเองให้ขาดตังเเกนอยู่ตลอดเวลาอ่านใจตัวเองให้ขาดจริงว่าเนี่ยมันกระทบอะไรเ่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยทำอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้มันแยกจิตกับอารมณ์ไม่ออก พอแยกจิตกับมารู้ไม่ออกเราไปตัดตอนท่าเรากลับมารู้กายรู้เวทนาไว้ไปไปรู้อะไรปุ๊บริบตัดตอนกลับมารู้ร่างกายเวทนาไว้เดี๋ยวจะไม่รู้ร่างกายไอ้ที่มันรู้ด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยคือมันรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไปในขณะจิตเดียวแล้วไอ้ที่มันรู้ตัวอยู่ว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในใจเราแล้วแล้วไม่หลงไปกับอะไรนี่เรียกว่ามันมันทั้งรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแล้วรู้สึกตัวไว้แล้วเพราะอะไรก็มันรู้ปุ๊บมันก็ส่งต่อเวทนาสัญญาทั้งขานไปเลยก็เวทนามันก็อยูู่่ตตรรงง้้เนียลกก็อับา มาจี้ใส่ที่ตัวไว้เอามาเอามาใส่เวทนาไล่ตามตัวไว้เอามารู้ร่างกายไว้โอ้ยมันไม่เข้าใจปฏิบัติไม่เข้าใจอย่างนี้มันก็เอาใจไปจี้ใส่อารมณ์ที่ถูกรู้ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ปฏิบัติเรานึกว่านี่คือการปฏิบัติในเดิดอริยมรรคอริยผลคือ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลแห่งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธแต่เรากลับไปเดินทางเนี่ยส่งออกนอกหมดเลยคือไปรู้แต่อารมณ์ที่ถูกรู้เขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกจิตส่งออกนอกเป็นสมูทัยหรือส่งจิตออกนอกเป็นสมูทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งจิตส่งออกนอกมันเป็นทุกข์เนี่ยเราเดินได้ฝ่ายทุกข์กับสมูทักกออทยทุกข์กับสมูทัยตลอดเลยไม่ได้เดินในถาในฝ่ายมรรคกับนิโรธเลยเราปฏิบัติมรรคกับนิโรธคืออะไร จิตเองจิตอย่างแจมแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งผลในจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งเป็นนิโรธจิตเองจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลใงจิตเหองจิตอย่างแจมแจ้งเป็นนิโรธมันต้องเดินทางในสายมรรคนิโรธมรรคนิโรธมรรคนิโรธนี่เราไปเดินในทางไปจับแต่อารมณ์ที่ถูกรู้รู้อะไรปุ๊บเราก็ตัดตอนมาคอยรู้จี้ที่กายไว้ดูเวทนาตามกายไว้ไอ้นี่มันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เราแยกจิตกับอารมณ์ไม่ออก ปฏิบัติแยกจิตกับอารมณ์ไม่ออกว่าจิตคือผู้รู้อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้อารมณ์ที่ถูกรู้เรื่อยไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นจิตติเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่ารู้อารมณ์แล้วมันพ้นทุกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจึงพ้นทุกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลในจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเมื่อเราแยกจิตกับอารมณ์ไม่ออกมันก็คละเข้าไปรู้แต่อารมณ์หมดเลยตอนนี้นี่พอเราไปรู้ครึ่งๆกลางๆแล้วก็ตัดตอนมารู้ที่ร่างกายไว้แล้วมาไล่พิทนาตามร่างกายไว้อันนี้แทนที่จะรู level, ano, <Okay. S 1> halfway, ้จิตอยู่ดี weird. แล้วก็ตัดตอนไม่ไม่ไปถึงจิตไม่ไปถึงธรรมอารมณ์แล้วก็กลับมาจี้ที่สายที่ร่างกายแล้วมาไล่รู้เวทนาตามร่างกายอันนี้มันปัดแบตอันนี้หลงเนี่ยผิดผิดผิดผิดไอการที่เรารู้เนี่ยจิตเล็นจิตอย่างแกมได้ก็เท่ากับว่าเราได้รู้ตัวอยู่นี่คือมันเท่ากับรู้กายเวทนาจิตทำไปในขณะจิตเดียวเรารู้อะไรได้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็รู้สึกตัวก็คือกายเราเนี่ยจะรู้สึกตัวที่ไหนเ้วกายเราเราก็ก็เห็นเนี่ยจิตผู้รู้ จิตวิญญาณสังขารผู้รู้แล้วก็รู้อะไรพอรู้เสร็จก็ส่งต่อไม่ว่าจะรู้อะไรก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารภายในใจเรามันรู้อะไรมันก็ต้องมาภาคภายในใจเราแม้แต่รู้ธรรมอารมณ์รู้เวทนาสัญญาสังขารเองอะมันก็เอามาภาคเอามาพูดต่อในใจเราต่อให้รู้เวทนาสัญญาสังขารนะพอจิตวิญญาณสังขารตัวใหม่มื่รู้เวทนาสัญญาสังขารไอวิญญาณตัวใหม่มันก็ต้องเอากลับมาภาคเองเอามาภาคว่าพูดว่าเออรู้สึกสบายใจจริงๆเลย ตอนนี้ไม่ค่อยสบายใจโอ้ตอนนี้เบากายเบาใจเบามากอตอนนี้ไม่รู้เรื่องอืออืตอนนี้รู้เรื่องก็อู้เราปฏิบัติผิดกันเยอะเลยอู้นี่ยิ่งเลยมันก็ภาพก็พูดมาแต่เนี่ยตาเห็นลงตาอยู่เนี่ยหูก็ฟังเสียงลงตาอยู่เนี่ยไม่มีใครในโลกนี่หรอกจะไม่ที่ไม่พาดไม่พูดไม่ไม่ไม่บ่นไม่ไม่ไม่มีเคราะ์อยู่ในใจซ้อนลงตาไม่มีทางไม่มีในโลกที่ใครไม่มี ในการที่เรารู้สึกตัวตลอดเวลาวันในวันในใจเราเนี่ยมันภาคอยู่ตลอดเวลาพูดตลอดเวลาเนี่ยมันเท่ากับรู้กายเวทนาจิตธรรมในขณะจิตเดียวตลอดเวลาแล้วพระเจ้าตรัสว่าเธอจงมีสติตวัชย์ัญญาอาศัยเป็นเพียงแค่เครื่องระลึกรู้เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมไม่ได้ไปรู้เพื่ออะไรนะเธอจงอาศัยเป็นเพียงแค่เครื่องระลึกรู้อย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจลัตยาปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจ สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู Raum, ร้ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจอสติตั้งที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจรู Raum, ร้ที่ใจไล่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจอย่าไปให้จิตเนี่ยมันไปรู้อารมณ์ที่ถูกรู้มื่อ้าเราก็ให้หนูนี่ยอ่านก็คงยังไม่เข้าใจเนี่หลวงปู่ชาก็เขาก็แชร์คาสอนหลวงปู่ชามาว่าอย่าให้จิตเนี่ยมันไปรู้อารมณ์ที่ถูกรู้คืออย่าให้เราเนี่ยจิตตัวใหม่เนี่ยไอ้จิตเดิมเนี่ยมันจะต้องไปรู้มันไปรู้อารมณ์ที่ถูกรู้แล้วมันจะมีจิตตัวใหม่เนี่ยมารู้อารมณ์ที่ถูกรู้ตัวเก่า แต่อย่าให้จิตเนี่ยมันไปไปสนใจไอ้จิตตัวใหม่เนี่ยอย่าให้มันไปหายทำอารมณ์ตัวเก่าด้วยไปมันจะเป็นอดีตให้มันรู้แต่ไอ้จิตตัวใหม่เนี่มันภาคอะไรพูดอะไรมันภาคอะไรพูดอะไรให้หยาให้จิตมันไปรู้อารมณ์ให้จิตมันรู้จิตให้จิตมันรู้ในจิตอันเนี้ยมันจะเป็นทั้งสมถะและมีศาสนาไปในตัวทุกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเหมือนกันหมดแต่ฉันใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปแล้วปุทาใช้คําว่า สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจแต่ใช้ท่านใช้คำพูดอหลายอันมากกว่านี้แต่ก็คือสรุปแล้วก็ก็คือประมาณขนาดนี้เนะี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตดูที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจเนี่ยหรือว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนว่อาอดีตเป็นทำเมาอน า, าคตเป็นทำเมารู้จิตปัจจุบันละปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นธรรมะธรมโมจิตปัจจุบันหมายถึงอะไร อดีตอดีตเป็นทำเมาอนาคตทำเมาเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงโอ้โหเรื่องอดีตส้ากลายพ้นเคยทะเลาะบ่แวง้งกันสามีภรรยาอนาคตกังวลใจเดี๋ยวกลับไปจะต้องไปเป็นยังไงนี่เป็นอดีตอนาคตไม่ใช่นะอันนี้ยังเป็นของหยาบหยาบอดีตเป็นทำเมาคืออารมณ์อันเก่าเนี่ยที่เราติดไปกับอารมณ์มันเก่าเนี่ยมันเป็นทำเมา เราไม่เห็นจิตอันปัจจุบันมันเราเห็นจิตปัจจุบันน่ะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือจิตปัจจุบันที่ไปรู้ไปรู้อารมณ์แล้วมันมันวิเคราะห์วิจารวิจัยมันภาคว่ายังไงนี่คือรู้ปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันปราจิตปัจจุบันแต่ถ้ามันเป็นอารมณ์มันเก่าแล้วสบายใจไม่สบายใจโอ้ยอย่างเงี้ยอาจารย์มันมันไม่คอยไม่สบายใจเลยมันมันคอยไม่สบายใจมายุ่งกับอันเมื่แล้วก็แล้วไปไหนมื่แล้วแล้วไปก็รู้จิตตัวใหม่เลื่อนไปต่อให้สบายใจไม่สบายใจมันกัแล้วแล้วไปรู้จิตปััจจุบนใหม่่วา พอไปรู้แล้วมันมันมีปฏิกิริยาอันใหม่อย่างไงส่งต่อวิทยาสัญญาตั้งขันอันใหม่เองไงว่าอย่างไงรู้จิตปัจจุบันและลจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันละจิตปัจจุบันไออารมณ์อันเก่าที่ถูกรู้มันเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยถ้าหลงไปไปยุ่งกับอารมณ์ที่ถูกรู้อันเก่ามันเป็นอดีตทําเมาเมาเหมือนคนเมาเหล้าอ่ะถ้าเปีบเปียบเหมือนคนเมาเหล้าทําเมาไปกังวลกับอนาคตว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปมันจะทําได้ไหมเนี่ย ปัจจุบันยังไม่ไม่ฟังให้เข้าใจเลยแต่กังวลเดี๋ยวอนาคุณจะกลับไปทำได้มันจะเป็นไม่อย่างนี้ไปมันเมาแล้เมาฟังทําไม่รู้เรื่องโมแต่เมาเมาอดีตเมาอนาคตตั้งไว้หนูเดี๋ยวกังวลจะกลับดีไม่กลับดีจะไปเนี่ยเ่ปัจจุบันก็ไม่ไม่ไม่ตั้งใจฟังให้มันชัดวัวไปหลงแต่อารมณ์สติไม่ตั้งที่ใจดูที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจล่ายอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจสติมันไม่ตั้งอยู่ที่ใจมันไปตั้งอยู่อารมณ์ที่ถูกรู้ ไปตั้งตีดคนนั่นบังหคนนี้บั่งเรื่องนั้นนั่นน่ะเห็นคนนั้นเดินผ่านมามันเลยไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเราผ้าพูดหรว่าอะไรคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ดูไอ้คนที่มันมันมันคนภาคหนังอยู่เนี่ยเราไม่ได้ดูที่คนภาคตลอดเวลานะเราไปดูแต่เดี๋ยวเราก็เผลอไปดูไปดูไอ้เรื่องราวสิ่งที่ถูกรู้ที่ บ, บนจอหนังแหละเราไม่ได้เราลืมดูคนภาคไปแล้วถ้าเรารู้คนพาคด้วยคนพาคเขาต้องพูดตลอดชีวิตจนกว่าคันห้าจะแตกตับคนภาคไม่เคยตายเลยแต่ อารมณ์สุกรู้ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนจอหนังหนังเรื่องใหม่เปลี่ยนไป เ, ลนะะเปลี่ยนไ ป, เ ป, นไปเปลี่ยนไปแต่คนภาคคนเดิมเราเนี่ยสติไม่ได้รู้อยู่ที่คนภาคคือตั้งอยู่ที่ผู้รู้คือตั้งอยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจไล่ใจปล่อยวางใจเราไปตั้งอยู่แต่ไอสิ่งที่ถูกรู้แล้วเราก็ไปอยู่กับไอสิ่งที่ถูกรู้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอันนี้มันเสียท่ามันไม่ได้ปล่อยวางตัวเราอ่ะไอผู้รู้คือตัวเราน <sh are> ี่แน่เป็นคนรู้ใครจะเป็นคนรู้กับตัวเราคนรู้ทุกอย่าง เมื่อเรารู้ทุกอย่างก็เมื่อเราสัตวมารู้ตัวเราก็คือเรียกว่าปล่อยวางตัวเราเอปล่อยวางตัวเราก็เรียกว่าละอุปทานขันหะกับรุนิพานไปสรุปแล้วก็คือสำคัญที่ว่าเราต้องสติต้องต้องต่อเนื่องนี่เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านเน่ยสติอันเดียวสติอันเดียวไม่ต้องเอาหลายเราเอาสติสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกขสติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายเป็นทุก สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นริษฐานคนจากทุกข์